นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหโมมะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังสังฆังนัมมัสสามิบดี้จักได้แสดงธรรมกะถาสืบต่อไป จงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเาคารพเถสิบสองเงื้อมหัดมัจจุราชพระองค์ตัดว่าณอันตลิเขนะสมุทธรรมเชนะประตานังวิวรังปวิสระนวิชตีโสชะกะติปเทโสยัตระตะทีตังนะปะเสหยะมัจจุ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 เมื่อความตายมาถึงเข้าทุกคนต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปแม้แต่สรีระของตนอันเป็นที่รักที่หวงแหนคอยประครบประง ม, มให้ข้าวให้น้ำให้อาบก็ไม่สามารถเอาไปได้สรีระนี้ถ้าไม่เป็นที่รองรับความดีแล้วก็เป็นของเลวอย่างหนึ่งที่ให้ความทุกข์มากให้ความสุขเพียงเล็กน้อยเป็นภาระอันไม่รู้จักจบสิ้นเป็นมารอย่างหนึ่งเรียกว่าขันธมาร เป็นภาระอย่างหนักเรียกว่าขันทภาระนัตถิขันทะสมาทุกขาไม่มีทุกใดเสมอด้วยการบริหารขันกล่าวคือขันห้าอันยนกล่าวเป็นสองคือนามและรูปพึงทราบภาระสองและมานหาก่อนเพื่อความแจ่มแจ้งในการอธิบายต่อไปภาระสอ ง, งขันทภาระหมายถึงภาระ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 ภาระเหล่านี้ไม่รู้จักหมดสิ้นจนกว่าจะตาย 2. กิเลสภาระหมายถึงภาระอันเกี่ยวกับกิเลสเช่นราคะโทสะและโมหะเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีบริวารของกิเลสทั้ง3มอีกมากมายเช่นความริษยาความพยาบาทความตรหนีความเห็นแก่ตัวเป็นต้นกิเลสเหล่านี้เป็นภาระของใจคือทําให้ใจมีภาระ ไม่อิสระปลอดโปร่งได้มันเป็นเหมือนหินถ่วงใจให้หนักเหมือนตะปูตรึงใจให้แน่นด้วยอารมณ์โลภพระพุทธองค์จึงเรียกว่าเจโตขีระแปลว่าตะปูตรึงใจท่านลองพิจารณาดูด้วยความเป็นธรรมเถิดความหนักกกหนักใจของคนทั้งหลายมาจากอะไรถ้าสอบสวนดูจะเห็นว่ามาจากกิเลสตัวใดตัวหนึ่งมีกิเลสเป็นรากฐานเป็นพื้น ราคะโทสะหรือโมหะอันนี้เป็นภาระดูมันจะยิ่งกว่าขันธภาระเสียอีกเพราะมีอยู่ติดต่อกันไม่ขาดสายการโปรงภาระทั้งสองอย่างนี้เสียได้เป็นความสุขอย่างยิ่งสมดังพระพุทธพจน์ที่ว่าภาราทานังทุกขังโลเกภาระนิเขปนังสุขขงังการยึดภาระเป็นทุกข์ในโลกส่วนการทิ้งภาระเสียเป็นความสุขทรงหมายเอาขันธภาระและกิเลสภาระนี่เอง มานมานคือสภาพที่ล้างผลาญคุณความดีของคนแปลว่าอุปสรรคก็ได้แต่ความหมายพื้นไปแปลว่าสภาพที่ล้างผลาญคุณความดีดีกว่าโลกของเรามีของแก้กันอยู่เสมอมีร้อนมีเย็นมีมืดมีสว่างมีทุกมีสุขและมีชั่วมีดีเป็นต้นโลกเป็นของคู่จับกันเป็นคู่คู่พอพ้นจากความเป็นคู่ก็เป็นภาระอันสูงสุดเป็นสิ่งสมบูรณ ดังนั้นเมื่อมีมารก็มีธรรมที่ข่ามารทั้งมารและธรรมที่ข่ามารยังเป็นโลกีเกี่ยวเนื่องอยู่กับโลกต่อไปนี้ขอกล่าวถึงมารหาโดยสังเขป 1. ขันธมารคือปัญจขันธ์กิเลสมารคือกิเลส 3. อภิสังขารมารคืออภิสังขาร 4. มัจจุมารคือความตาย 5. เทพบุตรมารคือเทพบุตร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 ประการที่สอภิสังขารมานั้นท่านหมายเอาสภาพที่ปรุงจิตให้เป็นบาปอากุศลวิตกเช่นการวิตรพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกนั่นเองเป็นสิ่งกลางกั้นคุณงามความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกั้นจิตใจให้เหินห่างจากสมาธิในที่อื่นเมื่อพูดถึงอภิสังขารท่านหมายเอาทั้งบุญและบาปทั้งที่ปรุงให้ดีและให้ชั่ว ความดีเป็นบ่วงอย่างหนึ่งเหมือนกันความชั่วก็เป็นบ่วงลองนึกถึงโซ่ที่ทำด้วยเหล็กและโซ่ที่ทำด้วยทองคำแม้สิ่งที่นำมาทำจะต่างกันแต่มันก็คือโซ่นั่นเองมีอนุภาพในการผูกมัดเหมือนกันมีคนเป็นจํานวนไม่น้อยที่ต้องตายเพราะทองคำไปแย่งทองคำผู้อื่นบ้างถูกแย่งทองคำจากตนบ้าง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 ต่อประเทศชาติแต่ความตายมาพรากก็ไปเสียอย่างนี้จะไม่ให้เรียกความตายว่าเป็นมารแล้วจะให้เรียกว่าอย่างไรอันหนึ่งบางคนมีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมหรือก้าวขึ้นสู่ความดีอย่างสูงแต่มจุราชก็มาพาตัวไปเสียก่อนตัวอย่างในประวัติของพระพุทธเจ้าก็คือท่านอาราละดาบทและอุทกดาบท ถ้าท่านทั้งสองไม่ด่วนตายเสียก่อนมีชีวิตอยู่จนได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าท่านจะต้องได้บรรลุธรรมอย่างแน่นอนเพราะได้อบรมจิตมาอย่างสูงแล้วเหมาะแก่การรับธรรมเทศนาเพื่อการตัดสู้มีตัวอย่างอื่นอื่นอีกมากประการที่5เทวปุตตมานท่านหมายเอาเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฐิ คอยกางกั้นกลั่นแกล้งคนทําความดีไม่ให้โอกาสอันงามแก่ผู้ตั้งใจทําความดีตามความเข้าใจของข้าพเจ้าเวลานี้นอกจากมาร4อย่างข้างต้นแล้วสิ่งขัดขวางอื่นๆเรียกว่าเทวปุตรตมารได้ทั้งหมด <c oughs> เช่นผู้ใหญ่ที่มีจิตลิษยาขัดขวางการทําความดีของผู้น้อยหรือผู้ใหญ่ที่รู้เท่าไม่ถึงการนําผู้น้อยไปในทางที่ผิด สามีที่คอยล้างผลาญคุณความดีของภรรยาหรือภรรยาที่ขัดขวางความรุ่งเรืองก้าวหน้าของสามีลูกที่ทำลายเกียรติยศของวงตระกูลเป็นต้นสิ่งดังกล่าวมาทั้ง5ประการนี้เป็นมารคอยขวางกั้นความก้าวหน้าของมนุษย์ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้ทงด้านความเจริญอย่างโลกโลกและความเจริญทางจิตใจคนที่จะก้าวไปสูงจะต้องรบกับมารและชนะมารได้ แม้องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเองจะตัดสรู้ก็ต้องทรงรบกับมารพระองค์ได้ชัยชนะจึงทรงพระนามอย่างหนึ่งว่าพระพิชิตมารย้อนกล่าวถึงเรื่องความตายตามพระคาถาเบื้องต้นที่ว่าจะอยู่แห่งหนนตำบนใดในท้องฟ้ามหาสมุทรภูเขาลำเนาไพรหรือที่ใดก็ตามย่อมไม่มีโอกาสพ้นจากความตายไปได้พระคาถานี้พระศาสดาตรัส เมื่อประทับอยู่ที่นิโครธารามเมืองกบิลพัททรงปราลบพระเจ้าสุ ป, ปพุทธมีเรื่องย่อดังนี้พระเจ้าสุ ป, ปพุทธสากยะพระเจ้าสุ ป, ปพุทธสากยะนั้นผูกอาคาตในพระศาสดาด้วยเรื่องสองเรื่องคือ 1. พระศาสดาทรงทอดทิ้งพระนางยโสธราออกบวช วงเล็บเพราะพนางยโสธราเป็นทิดาของพระเจ้าสุปพุทธะ 2. เมื่อพระเทวทัตออกบวชพระพุทธเจ้าตั้งตนเป็นศัตรูกับพระเทวทัตวงเล็บพระเทวทัตเป็นพระชาโสดของพระเจ้าสุปพุทธะพระเจ้าสุปพุทธะทรงดำริอยู่อย่างนี้จึงโกรธแค้นในพระพุทธเจ้ามากวันหนึ่งเมื่อพระศาสดาเสด็จไปเสวยในที่นิมนต์แห่งหนึ่งพร้อมด้วยภิกษุสาวกจานวนมาก พระเจ้าสุปพุทธสเสด็จมาประทับนั่งขวางทางอยู่พวกราชบรุรษกราบทูนว่าพระศาสดาสเสด็จมาพระเจ้าสุปพุทธตรัสว่าพวกเจ้าจงล่วงหน้าไปก่อนไปบอกพระสมณะโคดมว่าพระสมณะโคดมหาใหญ่กว่าเราไม่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้ทางแก่พระสมณะโคดมนั้นดังนี้แล้วนั่งสเสวยน้ําจันเฉยอยู่วงเล็บน้าจันก็คือเหล้า แม้พวกอมตะเล็กจะทูลขอให้เดีกทางให้สักเท่าใดก็หาทรงยินยอมไม่พระศาสดาเมื่อไม่ได้ทางก็เสด็จกลับพระเจ้าสุปปิพุทธะทรงทรงจารบบรุษไปว่าลองไปฟังดูว่าพระสมณะโคดมตัดอะไรบ้างพระศาสดาสเสด็จกลับมาทรงแย้มพระโอษเล็กน้อยพระอาณนอนทูนถามว่าทรงแย้มพระโอษเพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ในวันที่7นับแต่วันนี้พระเจ้าสุปพุทธจะถูกแผ่นดินสูบที่ใกล้เชิงบันไดาภายในปราสาทนั่นเองราชบุรุษกลับมาทูลความข้อนั้นแด่พระเจ้าสุปพุทธพระองค์ตรัสว่าต่อไปนี้เราจะจับผิดในคําของพระสมณะโคดมดังนี้เสด็จขึ้นอยู่บนปราสาทชั้นที่เจทรงตั้งยามรักษาการไว้เลือกแต่ผู้มีกําลังดีทั้งสิ้น รับสั่งว่าหากพระองค์จะเสด็จลงไปด้วยความพลังเผลอก็ให้ช่วยกันดึงไว้อย่าให้ลงไปจนกระทั่งถึงวันที่แปดพระศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วตัดแก่ภิกษุทั้งหลายว่าพระเจ้าสุปปะพุทธอย่าว่าแต่เพียงนั่งอยู่บนปราศาสเลยแม้จะเหาะขึ้นไปในอากาศแล่นเรือไปในมหาสมุทรก็ตามเขาไปอยู่ในซอกเขาก็ตามจะต้องถูกแผ่นดินสูบในที่ที่เรากล่าวแล้วนั่นเอง คำพูดของพระพุทธเจ้าย่อมไม่เป็นสองดังนี้แล้วตัดพระคาถาที่ยกไว้ในเบื้องต้นนั้นว่าณอันตริเขตณสมุทธรรมเชมีในยะดังปรนานามาแล้วแต่ต้นพอถึงวันที่เจ็ดเวลาเดียวกับเวลาที่พระเจ้าสุปพุทธประทับขวางทางพระศาสดานั่นเองม้ามงคลของพระเจ้าสุปพุทธขนองกระแทกฝาต่างไม่มีใครปราบได้ ต้องได้เห็นพระเจ้าสุภปุทธะม้านั้นจึงจะหยุดพระเจ้าสุปปุทธะสะดับเสียงนั้นทรงทราบความแล้วหลงลืมเรื่องอื่นทั้งหมดสเสด็จลุกขึ้นจะไปปราบมา้าประตูก็เปิดออกยามรักษาการทรงตั้งไว้ประตูละสองคนไม่ได้หยุดยั้งพระองค์เลยตรงกันข้ามกับจับพระองค์โยนลงมาเป็นทอดทอดจนถึงเชิงบันไดปราศาสแผ่นดินแยกออกสู่พระเจ้าสุปปุทธะลงไปยังอเวจีมหานรก ข้อสงสัยข้าพเจ้าสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งคือในตำนานบอกไว้ว่าเมื่อพระเจ้าสุภพุทธะเสด็จขึ้นประทับบนปราสาทชั้นที่เจ็ดแล้วทรงให้ผักบันไดเสียในวันที่7เมื่อถึงวาระที่กรมจะให้ผลบันไดกลับตั้งขึ้นเองข้าพเจ้าสงสัยว่าปราสาทอย่างใดจึงผักบันดไดได้ปราสาทราชวังของกษัตริย์น่าจะเป็นบันไดาถาวรมิใช่บ้านคนจนที่ใช้บันได ไม้พาดเอาอันหนึ่งทราบว่าการก่อสร้างในอินเดียตั้งแต่โบราณนิยมใช้อิฐแม้บัด น, นี้ก็ใช้อิฐเป็นพื้นท่องเที่ยวอยู่ในอินเดียหลายแห่งยังไม่เคยเห็นบ้านไม้ล้วนๆเลยถ้ามีก็เป็นกระท่อมเล็กๆที่มีแต่เสาสี่เสาหลังคามุงใบไม้ที่เรียกในวรรณคดีว่าบนนารรณศาลา อิอินเดียนั้นมั่นคงแข็งแรงและเกินดินฟ้าอากาศที่ร้อนจัดและหนาวจัดนั้นบังคับให้ต้องใช้อิฐสร้างบ้านถ้าเป็นบ้านไม้คนอาศัยคงทนหนาวและร้อนไม่ไหวเป็นแน่วักที่9เรียกว่าปาปะวะคะวันานารวมสิบสองเรื่องจบเพียงเท่านี้ ว่าด้วยอาจยาหรือโทษทันทวขควรณ า, นาหนึ่งเอาตนเข้าไปเปรียบพระองค์ตัดพระพุทธภาศิาท่วสเพตสันติทันทัศ ส, สพเพพายันติมัจจุโนอัตตานังอุปมังกตตวานะหเนยยะนะขาตะเยคำแปล สัตว์ทั้งปวงสะดุ้งต่ออาทยากลัวต่อความตายบุคคลน้อมตนเข้าไปเปรียบแปวไม่ควรฆ่าเองไม่ควรใช้ให้คนอื่นฆ่าอธิบายความความรักตนเป็นสิ่งธรรมดาอย่างหนึ่งในสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายกล่าวให้แคบเข้าคือมนุษย์และสัตว์ดิจฉานทั่วไปความรักตนมีเหนียวแน่นกว่าความรักอย่างอื่นสมดังพระพุทธภาษิตในสังยุตติกาย โกสลสังยุตวะสภาทิสาอนุปริคัมมะเจตสาเนวัชคาปิยะตระมั ต, ตนากวัจิเอวัมปิปุถุอัตตาเปรยสังตัสสมมณหิงเสปรังอัตกาโมเอาใจพิจารณาไปทั่วทุกทิศแล้วยังไม่พบใครอื่นในที่ไหนอาจจะเป็นที่รักยิ่งกว่าตนตน ของผู้อื่นก็เป็นที่รักของเขามากเหมือนกันผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นพระพุทธภาสิทธ์เหล่านี้ตรงกันกับที่คนไทยชอบพูดว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราและตรงกับที่ขงจื้อพูดจงทําต่อผู้อื่นทํานองเดียวกับที่ท่านต้องการให้ผู้อื่นทําต่อท่านคําพูดของของจื้อกับของพระเยซูนั้นมีความหมายอย่างเดียวกัน เป็นแต่คงจื้อกล่าวว่าจงทำส่วนพระเยซูกล่าวว่าอย่าทำพระเยซูสอนให้เว้นสิ่งที่ควรเว้นส่วนคงจื้อสอนให้ทำสิ่งที่ควรทำพระพุทธเจ้าทรงย้ำ ม, มากในเรื่องนี้าศาสนาแห่งพระองค์เป็นาศาสนาแห่งความไม่เบียดเบียนวงเล็บอหิงสาปรโมธรรมโมทรงยกย่องว่าความไม่เบียดเบียนกันเป็นธรรมอันเลิศทรงยอมแม้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนแต่ไม่ได้ทรงเบียดเบียนตอบ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 เรียนผูกไม่รู้จักเรียนแก้ตัวอย่างพระเทวทัตนางจินจมานาวิกาเป็นต้นคำพีอุปนิสัต์าศาสดามหาวีระล้วนส่งเสริมและสอนเรื่องอหิงสาทั้งสิ้นนักปรยาสมัยใหม่ในศตวรรษที่20แห่งคริสตกาลเช่นมหาตรรมคารทีก็ย้ำเรื่องอหิงสาเหมือนกันแต่คารทียอมให้ฆ่ายุงและสัตว์ ร, ร้ายที่ทำลายชีวิตคนได้คานทีถือว่า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 บุคคลผู้ไม่เบียดเบียนย่อมเป็นผู้เข้มแข็งอย่างแท้จริงเป็นคนกล้าหาญพร้อมอยู่เสมอที่จะเสียสละแม้แต่ชีวิตตนเพื่อคุณความดีแต่คนขาดจะปฏิบัติตามอาหิงสาธรรมไม่ได้เลยเขาไม่เคยยอมเสียสละชีวิตเพื่อสิ่งใดเลยอันหนึ่งคนกลัวตายนั้นจะเป็นผู้ปฏิบัติอหิงสาธรรมจริงๆไม่ได้ขานทีถือว่าความกล้าเป็นลักษณะที่สาคัญของอหิงสา บุคคลผู้พร้อมอยู่เสมอที่จะตายย่อมไม่กลัวอะไรเลยแน่นอนทีเดียวอาวุธเป็นเครื่องหมายแห่งความขลาดคนกล้าหาญแท้จริงนั้นย่อมพร้อมเสมอที่เผชิญอันตรายพร้อมเสมอที่จะได้รับทุกขและยังจะทําใจให้รักผู้ทําผิดเสอีกด้วยขอนำมติของคานทีเสนออีกประโยคหนึ่งคานทีกล่าวว่าบุคคลผู้มีบ้านเรือนมั่งคัง่งมีรถยนต์และหวงแหนร่างกายนั้น จะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนที่แท้จริงหาได้ไม่บุคคลจะปฏิบัติธรรมนี้ให้ได้อย่างแท้จริงจะต้องเสียสละความต้องการได้หลายอย่างแม้แต่ร่างกายก็ถือว่าเรามีอยู่เพื่อรับใช้สังคมเท่าที่มันยังใช้การได้อยู่ยิ่งพูดไปอหิงสาของคารทีก็ยิ่งสูงขึ้นไปทุกทีคารทีอาจปฏิบัติได้แต่คนทั่วไปปฏิบัติได้ยากเหลือเกินและดูเหมือนว่าอาหิงสา เบื้องต้นของขานที่จะขัดกับอหิงสาในชั้นสูงอยู่บ้างเช่นในเบื้องต้นยอมอนุญาตให้ฆ่าสัตว์บางอย่างได้แต่ต่อมากล่าวอาหิงสาสูงจนว่าบุคคลจะต้องยอมเสียสละทุกอย่างแม้แต่ชีวิตของตนเพื่ออหิงสาอย่างไรก็ตามทำข้อนี้คือความไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั้นได้รับการยกย่องในทุกศาสนาและแม้ในหมู่กรรยานชนก็ถือว่าการไม่เบียดเบียนกันเป็นความดีของสังคม สังคมใดไม่มีการเบียดเบียนกันสังคมนั้นย่อมมีความสงบสุขพระาศาสดาตรัสพระพุทธภาสิทธินี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาบถีทรงปราบรภิกษุสัพพคีคือพวกหกมีเรื่องย่อดังนี้ในสมัยหนึ่งภิกษุสัตระสัพพคีคือภิกษุพวก17คนซ่อมแซมเสนาสนะเพื่ออยู่อาศัยเองแต่เมื่อซ่อมเสร็จแล้วพวกภิกษุสัพพคี คือพวกหไล่ให้พวก17ออกจากเสนาสนะอ้างว่าพวกตนอายุพรรษามากกว่าเสนาสนะพวกนั้นควรถึงแก่ตนเมื่อพวก17ไม่ยอมเพราะอ้างว่าพวกตนซ่อมแซมไว้พวก6จึงตีพวก17พวก17ร้องให้ลั่นวิหารพระศาสดาทรงทราบเรื่องนี้แล้วตรัสโอวาทภิกษุพวก6กว่าธรรมดาภิกษุไม่ควรทําอย่างนั้นภิกษุใดทํำ วงเล็บคือตีกันเป็นอาบัตปาจิตตีดังนี้แล้วทรงบัญญัติประหารฐานสิกขาบทคือข้อห้ามการประหารกันแล้วทรงประธานพระโอวาทต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายเราย่อมวาดวันต่ออาจยาย่อมกลัวต่อความตายชันใดแม้สัตว์เราอื่นก็เหมือนกันย่อมกลัวต่ออาจยากลัวต่อความตายรู้ดังนี้แล้วไม่ควรฆ่าเองและไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นฆ่า ดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมต่อไปด้วยพระคาถาว่าสเพตสันติทันทัศเป็นอาทิมีนยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้นพระธถกะถาจารย์กล่าวว่าคำว่าสัตว์ทั้งปวงย่อมกลัวต่อความตายนั้นหมเอาสัตว์ทั่วไปยกเว้นสี่พวกคือหนึ่งช้างอาชานายสองม้าอาชานายสาโคอุสภราชสี่พระขีนาศพ สัตสามพวกแรกไม่กลัวตายเพราะมีสักยยทิฏฐิจัดคือมีความถนงตนจัดส่วนพระกีนาศพไม่กลัวตายเพราะละสักยยทิฏฐิได้แล้วไม่มีความถนงตนเลย 2. ชีวิตเป็นที่รักพวุทธภาสิทธ์เราเป็นภาษาเราก็ได้สัตว์ทั้งปวงสะดุ้งต่ออาทยาชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงบุคคล เอาตนเข้าเปรียบอย่างนี้แล้วไม่ควรค่าเองไม่ควรให้ผู้อื่นค่าข้อความอื่นๆได้กล่าวมาแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรคนี้ต่อไปนี้จะบรรณน า, นนาเฉพาะข้อว่าชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงชีวิตคือความเป็นอยู่ความอยู่หรือความเป็นถ้าจะถามว่าชีวิตคืออะไรคือถามความหมายของชีวิตก็จะได้คําตอบเปน็นอันมากนักคิดนักเขียนทั้งชาวตะวันออกและตะวันตก ได้ให้คำนิยามคำว่าชีวิตไ้มากมากจนสับสนจนในที่สุดเราไม่อาจรู้ได้แน่นอนว่าชีวิตคืออะไรท่านที่ตอบส่วนมากก็ตอบตามประสบการณ์ของตนตนมีความรู้สึกอย่างไรต่อชีวิตก็ตอบไปอย่างนั้นหาได้หาเหตุผลสากลแต่ประการใดไม่ท่านขมขื่นต่อชีวิตมาก็ให้คำจำกัดความชีวิตไปในทางขมขื่นท่านที่พบความหวานชื่น ของชีวิตมาก็ให้คำจำกัดความชีวิตในทานองนั้นท่านที่เห็นชีวิตเป็นของกลางๆ ก, ก็มีได้อ่านคำนิยามอันมากมายของคำชีวิตแล้วอยากจะให้คำตอบตรงตัวว่าชีวิตคือชีวิตมันไม่สามารถให้คำจำกัดความได้เพราะมีมากแง่มากมุมละเกินทานองเดียวกับที่จีอีมัวซึ่งเป็นคนหนึ่งในบรรดาพวกสัตจันิยม ชาวอังกฤษเขาเป็นศาสตราจารย์ทางจิตปรัชญาและตักกวิทยาในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เป็นฝ่ายค้านอย่างรุนแรงซึ่งมีความเชื่อถือตามประเพณีนิยมในทางเมตาฟิสิกส์ยานวิทยาและจริยศาสตร์ผลงานที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สดุดของเขาคือตำราที่เขาเขียนขึ้นไว้เขาให้ทัศนนะว่าคำว่าความดีนั้นให้คำจำกัดความไม่ได้ ความดีก็คือความดีไม่รู้จะให้คำจำกัดความอย่างอื่นได้อย่างไรการพยายามให้คำจำกัดความมีแต่จะนำไปสู่ความผิดมัวกาวคือสีเหลืองก็คือสีเหลืองฉันใดความดีก็คือความดีฉันนั้นถ้าจะถามว่าพระพุทธศาสนามีทศนะต่อชีวิตอย่างไรคำถามนี้ตอบง่ายชาวพุทธแทบทุกคนรู้คือพระพุท ธ, ธมติเห็นว่าชีวิตเต็มไปด้วยทุกข์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 คือพวกนั้นไม่อยากได้ยินคําว่าทุกข์เลเหมือนกันเลยคิดไปอีกแง่อันหนึง่งคนชาวตะวันตกนีมันจเจริญในวัตถุนิยมมากไม่อยากเห็นทุกข์ไม่อยากรู้ทุกข์ไม่อยากได้ยินคําว่าทุกข์เลยก็เลยมีความไม่พอใจกับพุทธศาสนาที่สอนแต่เรื่องทุกข์มองในแง่ปรัชญธรรมคือระดับความที่สูงขึ้นไปชีวิตไม่ใช่อย่างเดียวกันกับทุกข์และไม่ใช่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 เท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนอกจากขันห้าแล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับขันห้าเป็นก้อนทุกข์เป็นที่จับเกาะของทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเป็นบ่อกเกิดใหญ่ของทุกข์ถ้าจะถามว่าชีวิตเกิดขึ้นอย่างไรข้อ น, นี้พระพุทธเจ้าท่งตอบไว้ในอินทกสูตรสังยุตติกายสขารวรกว่าดังนี้เป็นภาษาบาลีเยอะนะเริ่มแรกเป็นก纶ละ คือเซลลจากกุละเป็นอัพุทะคือก้อนเนื้อเหลวจากอัพุทะเป็นเปสิก้อนเนื้อนุ่มจากเปสิเป็นคณนะคือก้อนเนื้อแข็งจากคณะเป็นปัญจสาขาคือรูปศีรษะมือเท้าผมขนเล็บเกิดตามขึ้นมามารดาของเด็กนั้นบริโภคโภชนะคือข้าวน้ำอย่างใดเด็กที่อยู่ในคันมารดาย่อมเลี้ยงชีวิตด้วยข้าวน้ำนั้น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 จรงอยู่เรามักได้ยินคนพูดเสมอว่ารักคนนั้นคนนี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้ยิ่งกว่าตนที่เป็นอย่างนั้นอาจมีได้แต่ใครจะปฏิเสธเล่าว่าคนนั้นหรือสิ่งนั้นไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยตนหรือไม่ได้เป็นความสุขอย่างสูงสุด ข, ของตนที่ได้ทําเช่นนั้นที่กล่าวนี้หมายถึงขั้นธรรมดาสามัญคือสําหรับชาวโลกทั่ ว, วไปแต่คนที่ได้อบรมใจอย่างสูงแล้วอาจ รักคุณธรรมความดียิ่งกว่าชีวิตยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาความดีเพื่อธทำพระพุทธภาษิตที่ทรงสอนในเรื่องนี้ก็มีอยู่เช่นพึงสละทรัพเพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสละทั้งทรัพและอวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรมคือความดีนี่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องธรรมไว้สูงเหนือทรัพย์อวัยวะและชีวิตชีวิตที่ป่าชจากธรรมเป็นชีวิตที่ว่างเปล่าเป็นโมคะชีวิต บุคคล น, นั้นเป็นโมฆะชนหรือโมฆะบุรุษอย่างไรก็ตามที่พระพุทธองค์ทรงตัดว่าชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงนั้นพิจารณาตามท้องเรื่องแล้วมุ่งให้บุคคลเว้นการเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นเพราะชีวิตของใครใครก็รักพระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมนี้ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปราบระภิกษุฉัพพคีมีเรื่องย่อดังนี้เมื่อพระพุทธเจ้าทรงห้าม การประหารดังกล่าวแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวักนี้พวกภิกษุสัพพคีจึงเงือกเงื้อมือเพื่อประหารภิกษุสัตระสพัพพคีพวก17บเพระศาสดาทรงทราบจึงทรงห้ามการเงือกเงือ้อภิกษุไคทำต้องอาบัติปาจิตติทรงบัญญัติแตละส ต, ติกะสิกขาบทคือข้อบัญญัติห้ามเงือกเนื้อฝ่ามือเพื่อประหารผู้อื่นแล้วทรงประทานพระโอวาทว่า สัตว์ทั้งปวงย่อมสะดุ้งกลัวต่ออาจยาชีวิตย่อมเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงบัณฑิตรู้ดังนี้แล้วไม่ควรฆ่าเองและไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นฆ่าดังมีนัยยะดังพรนนามาแล้วแต่ต้นนั่นแหละ อากาศร้อนทัางวันก็ร้อนต้องใช้ธรรมะเยอะหน่อยจะได้เย็นร้อนกายให้เย็นใจปูดร้อนได้แต่ให้ยิ้มได้ด้วยนะไม่เดืร้อนนั้นหน้าเศร้าหน้าซึมเฮ้ร้อนข้างนอกร้อนข้างในบางคนด่าได้ซ้าไปได้มันร้อนโคตรพอ่อโคตรแมัมนะไปนนมีเหมือนกัน บางทีมันไม่ทันกิเลสเนาะด่ามันจะรู้เรื่องอะไรธรรมชาติด่าแล้วก็ตนเองได้ยินเองเหมือนกับด่าตัวเองฝนตกมากก็ไม่พอใจนี่มันไม่ถูกใจเนาะน้อยก็ไม่พอใจมากก็ไม่พอใจทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาของกิเลสมนุษย์ มันไม่รู้จักพอดีหลักธรรมะแต่จึงให้ศึกษาหาความพอดีถ้าถึงความพอดีแล้วก็ง่ายแล้วทีนี้ก็พูดได้ว่าร้อนก็ดีหนาวก็ดีร้อนก็ดีหนาวก็ดี <c oughs> ดดคลึมก็ดีแดดก็ดี <c oughs> ดีทั้งสองอย่างถ้ามองเห็นความพอดีแต่อย่างนั้นมันมีพ้นต่อจิตใจทุก แต่ยอมรับความจริงเอ้ามันเป็นธรรมชาติที่เราแต่งมันไม่ได้เนี่ยมันเป็นไปเองของมันนี่ยใจก็สบายแล้วก็สามารถปรับสภาพเข้าได้กับความจริงมันไม่ถูกใจเราจริงๆรสักอย่างหรอกเนีบางทีนั่งอยู่บางทีลาคาญแม้เสียงเขียดก็ลาคานดิ <c oughs> ลองไปเฮ้ยมันกวนเนเนี่ยมันลาคาญเน อยู่ที่ไหนมันจะไม่มีนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพอไม่มีเสียงจริงจริงก็อีกแล้วเนาะโอ้ยเหมือนเงียบเกินไปนเงียบเลอวเกินหวย่เหมือนไม่รู้จะเอาตรงไหนพอดีนั่นคือกิเลสกิเลสของมนุษย์เนี่ยถ้ารู้จักพอดีแล้วก็สบายละมากก็พอดีน้อยก็พอดีแล้วทีนี้สั้นก็พอดียาวก็พอดี ก็มันมีแค่นั้นน่ยจะทำยังไงมันก็ต้องให้พอดีนี่ถ้าฉลาดก็อยากได้ยาวก็ต่อสิเถ้าอยากได้สั้นก็ตัดให้มันยาวไว้ก็ตัดออกก็เท่านั้นแหละนี่ปัญหามันก็จบลงง่ายๆถ้าเข้าใจคนมันฉลาดอยู่แล้วเรืว่าคนนี้เป็นสัตว์ที่มีสติปัญญานี่สามารถแก้ปัญหาได้ ฉลาดยิ่งกว่าสัตว์สัตว์อื่นก็ฉลาดอยู่หรอกแต่ว่ามนุษย์เรานี่ฉลาดมากกว่าเนี่ยแต่ก็แปลกว่าฉลาดมากกว่าจะทุกมากกว่าสัตว์อื่นฉลาดมากก็ทุกมากทุกจนฆ่าตัวตายนี่สัตว์อื่นมีค่าตัวตายหปล่าไม่รู้ไม่ค่อยปรากฏเท่าไหร่นอกนี้จะมีอยู่ไม่ค่อยมีเลยแต่มนุษย์ได้ค่าตัวตายเยอะมากเลย ยิ่งเจริญยิ่งฆ่าตัวตายมากเยอะเลยประเทศไหนที่ว่าเจริญดูเถอะเนี่ยสภาพจิตใจนี้แย่มากเลยมีสถิติฆ่าตัวตายสูงด้วยยประเทศไหนเจริญมากเนะี่ยมันก็แปลกดิแล้วจะเรียกว่าความเจริญได้อย่างไรเนี่ยนั่นดูใหญ่ลอยใครก็พูดดีนะถ้าว่าเจริญทําไมมนุษย์ถึงเฮี้ยมโหดด้วจิตใจเชื่อไม่ได้ ไม่มีสัจจะนะคบไม่ได้เนี่ยได้เจริญได้อย่างไรเขาบอกมองแต่ด้านวัตถุถ้ามองให้ดีวัตถุมันก็ไม่ใช่ความเจริญอีกกับเป็นภาระอีกนะถ้ามองให้ทะลุฝุ่งก็โอโภาระกับเยอะมากขึ้นอีกเนะี่ยวัตถุนี่แหละดูสีสันสวยงามนะแล้วก็เพิ่มกิเลสมากขึ้นด้วย ความพอใจยิ่งมากความทุกข์ก็ยิ่งมากขึ้นเนี่ยลเรามีบ้านใหญ่โตราคาแพงเมีสิ่งของราคาแพงๆเนี่ยโอ๊ยทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยกันไม่ได้สุขเลยถ้าจะเปรียบเทียบว่าสู้คนอยู่กับตอ้บไม้ไผ่ไม่ได้นะนอนหลับดีกว่าเวลานอนหลับสบายกินก็ไม่อะไรมากกินก็อร่อย เอาผักมาจิ้มน้ำพริกก็อร่อยนี่ไม่ต้องกินอาหารในพัตคารใหญ่ๆโตๆราคาแพงมันก็อร่อยได้นี่นอนอยู่บ้านนั่นก็สะดวกสบายนี่ไม่วิตกกังวล น, นอนหลับดีนี่อ้าวก็ดีจริงๆนะ น, นอนตามทุ่งนาป่าเขาลงไนอนสบายนอนง่ายหลับสบายนี่ไม่วิตกนี่ไม่วตกมากนี่ แต่ะนั้นสิ่งนั้นไม่ใช่เครื่องรับประกันให้เกิดความสุขแต่ไม่มีปัญญารู้เท่าทันมันก็ให้ความทุข